นาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอวิคือ458 1. ภิกษุถูกใครๆเบียดเบียนประสงค์จะพน้นจึงเงาอหอกคือฝ่ามือ 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติตละสส ต, ติกะสิกขาบทที่5จบ